ตอนที่สิบอ็ดคืนนั้นสองเจ้าเด็กนั่นถามถึงวีรกรรมของเทจูหรือพยาค่ะในคืนเดียวกันพื้นที่แห่งหนึ่งในพระราชวังหวีตำหนักช้างเลอยิงชาราในชุดลำลองที่ถอดเครื่องประดับออกหมดแล้วนั่งสงบนิ่งอยู่บนต่างไม้ดวงตาที่สว่างสวยคู่นั้นฉายแววประหลาดใจวูบหนึ่งก่อนจะกลับคืนสู่ความสงบอย่างรวดเร็วนางมีฐานะอันสูงส่งยิ่งสุลีท ห, หวงเทฮาวแห่งต้าอวี นางคือพระชายาเอกในจักรพรรดิไทจูเกาชูหยวนพระราชมารดานในจักรพรรดิเวินไทจงฉูปินพระอายการในจักรพรรดิผู้ล่วงลับชูฉีและพระอายการในจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ชูหลิงในฐานะบุตรสาวสายตรงของผู้นำตระกูลซุนแห่งกวนซีในราชวงศ์ก่อนตลอดเส้นทางที่ซุนหลีเดินมานางผ่านอุปสรรคและคลื่นลมามามากมายจนนับไม่ถ้วนไม่ว่าสถานการณ์จะอันตรายเพียงใดก็ไม่เคยมีสิ่งใดทำลายผู้หญิงคนนี้ได้ ทว่าการสวรรคตอย่างกะทันหันของชูชีหลานชายคนโตสายตรงกลับทำให้สุนหลีเกือบจะเสียกิริยานางไม่เคยคาดคิดเลยว่าหลานชายที่ถอดแบบมาจากสามีของนางและมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดนับตั้งแต่ขึ้นครองราชเหตุใดจึงสวรรคตอย่างกะทันหันเช่นนี้นี่คือสิ่งที่นางมีอาจยอมรับได้หลีจงละสุลีครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองตาช้างเลอที่ยืนก้มหน้าอยู่ ข้าเคยสั่งไว้ว่าให้เขาคอยปฏิบัติอยู่ข้างกายจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ให้ดีเหตุใดเขาถึงออกจากตําหนักต้าซิงมีอาจทราบร่องรอยพยะค่ะต้าช้างเล่ตอบตามจริงหลังจากหลีจงมาส่งข่าวที่ตําหนักช้างเล่แล้วเขาก็ไม่ได้กลับไปยังตำหนักต้าซิงแต่ถูกเสื้อเลี้ยชื้อโซ่ห้หวงไทยโหเรียกตัวไปพยะค่ะสุนหลีขมวดคิ้วมุ่นเรื่องนี้เป็นความผิดของหม่อมฉันเองที่มีได้กลับทูลให้เทยห่วงเทยเฮาสรงทราบต้าช้างเล่คุกเข่าลงกับพื้นโขกสีสะขอเขามา หลังจากหลี่จงออกจากตําหนักเฟื่องลวนเขาก็ถูกคนจากตําหน่งช้างชีวเรียกตัวไปอีกพยะค่ะสุลีเริ่มเกิดความระแวดระวังหากเป็นเช่นนั้นจริงเรื่องราวคงไม่เรียบง่ายเสียแล้วตอนที่หลี่จงออกจากตําหน่งช้างเล่อนนางกำลังเรียกพบคนบางกลุ่มอยู่แม้จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์จะถูกเลือกออกมาแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวจะจบสิ้นลงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายในหรือราชสำนักฝ่ายนอก ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องจัดการยิ่งไปกว่านั้นการสวรรคตอย่างกะทันหันของจักรพรรดิผู้ล่วงลับมักทําให้สุลลีรู้สึกว่ามีเงื่อนงานางต้องสืบหาความจริงที่ซ่อนอยู่ให้กระจ่างคนดีๆที่อายุยังไม่ถึง30ปีทั้งยังมีความมุ่ง ม, มั่นที่จะบริหารบ้านเมืองและปราบปรามศัตรูของต้าอวีจะมาตายลงง่ายๆเช่นนี้ได้อย่างไรด้วยการที่อยู่ในตําแหน่งผู้มีอํานาจมานานสุนหลีรู้ซึ้งถึงเรื่องบางอย่างดี เรื่องของราชวงศ์ในใต้ล่านี้ซับซ้อนที่สุดแม้จะเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยแต่ตราบใดที่มีการวางแผนและมีผู้สแสวงหาผลประโยชน์เรื่องนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างยิ่งและในวินาทีนี้เองที่ซุนหลีเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าในอดีตสามีและบุตรชายของนางต้องแบกรับภาระหนักอึ้องเพียงใดความขุ่นเคืองบางอย่างในใจพันมาลายหายไปโดยไม่รู้ตัวชูหลิงข้าจะไม่ผิดหลอกเจ้าเด็กคนนี้เกิดได้ไม่นานที่จูก็สวรรคตแล้ว สิ่งที่ทำให้ต้าช้างเลอ้อประหลาดใจคือไทฮวงไทเฮามีได้ตรัสถึงเรื่องที่เขารายงานแต่กลับเปลี่ยนหัวข้อไปถามเรื่องอื่นแทนพยาค่ะต้าช้างเลอ้อตอบรับสุลีมีบุตรชายห้าคนและบุตรสาวหนึ่งคนตลอดชีวิตแต่นางมีบุตรที่เติบโตจนเป็นผู้ใหญ่เพียงสามคนเท่านั้นคือบุตรชายคนโตฉูปินบุตรชายคนที่สามฉูชูสยงและบุตรชายคนที่สี่ชูเฟิงคนหนึ่งได้เป็นจักรพรรดิแห่งต้าอวี ส่วนอีกสองคนเป็นชินอ๋องได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นไห่อองและจิ้งอองส่วนบุตรชายคนที่สองคนที่5และบุตรสาวคนโตล้วนสิ้นพระชนตั้งแต่ยังเยาว์ซึ่งสร้างความเสเตือนใจแก่สุหลีอย่างมากนอกจากนี้เท่จูยังมีบุตรชายที่เกิดจากสนมอีกหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันมีเจ็คนกระจายกันไปปกครองหัวเมืองต่างๆของต้ า, อ, ตาอวีซึ่งบุตรชายสายตรงและสายรองเหล่านี้ต่างก็มีทา ย, ยาทอีกมากมาย ชูหลิงตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ได้รับความสําคัญมารดามีฐานะต่ําต้อยในบรรดาหลานหลานของสุลีหากจะบอกว่าเขาจืดจางจนไม่มีใครสังเกตเห็นก็คงไม่ใช่คํากล่าวที่เกินจริงนะักหากมิใช่เพราะชูชีหลานชายคนโตของสุลีสวรรคตอย่างกะทันหันจนทำให้บาลังของต้าวิว่างลงและเกิดคลื่นใต้น้ำในฝ่ายในสุนหลีก็คงจําไม่ได้ว่าชูหลิงคือใครและมีหน้าตาเป็นอย่างไรคนที่เฝ้าจับตาดูหานชิงอยู่ให้ทอนกําลังออกมาเสียสุลีเงียบไปนานเท่าใดไม่ทราบก่อนจะหันไปมองต้าชางเลอ่อ ส่วนคนที่จับตัวมาได้ก็จัดการให้สะอาดอย่าให้คนอื่นตื่นตระหนกไทหวงไทเฮาต้าช้างเล่ถึงกับตกตะลึงหืมสุลิรีตาลงเล็กน้อยพร้อมส่งเสียงในลําคอหม่อมฉันจะรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้พะยะคะ่ะต้าช้างเล่อรีบโขกสีซารับคําสั่งเงยเย็นที่ผุดพรายออกมาทําให้เขารู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวเขาอยู่ที่ตําหนักช้างเล่มานานย่อมรู้ซึ่งถึงนิสัยของไทห่วงไทเฮาดีใครก็ตามที่นางเกลียดชังมันจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนัก หันชิงแม่ทัพใหญ่จินจวินนยามที่สถานการณ์ในฝ่ายในกำลังคุกรุ่นเขากลับฟาฝืนกฎระเบียบของพระราชวังหวีส่งคนออกไปนอกวังอย่างพาาการเพื่อเร่งรุดไปยังจวนกงสุขโขทั้งสองแห่งเชิญจงชวนและชางหลีเขาวังซึ่งการกระทำนี้ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป ใช่เมื่อครั้งจักรพรรดิเวินเท่จงยินมีพระชนชีพทรงให้ความสําคัญกับหานชิงอย่างยิ่งและเขาก็ไม่เคยทำให้จักรพรรดิเวินเท่จงผิดหวังแต่ในตอนนี้ก็เป็นเพระหานชิงนี่เองที่ทําให้ในช่วงเจ็วันที่ผ่านมาเกิดการชิงไหวชิงคลิปและการต่อสู้มากมายจนนำมาซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่ชูหลิงได้เป็นจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์ค่ำคืนในตําหนักช้างเลอช่างเงียบสงัดเมื่อต้าช้างเลอถอยออกมาจากห้องบรรทมหัวใจของเขายังคงเต้นแรงแต่เมื่อนึกถึงคำสั่งของเทห่วงทเทเฮาเขาก็ไม่กล้ารอช้ารีบ ท่านแม่ทัพใหญ่เหตุใดท่านถึงทําเช่นนี้กันนั่นสิขอรับท่านแม่ทัพใหญ่การทําเช่นนี้จะทําให้ท่านตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตนะขอรับท่านแม่ทัพใหญ่หากไม่ได้การท่านรีบหนีออกจากเมืองหลวงจึงสือเถิดขอรับท่านพูดอะไรบ้างสิขอรับเมื่อเทียบกับความเงียบสงบของตําหนักชางเลื่อนในพื้นที่แห่งหนึ่งในพระราชวังหวีพายในห้องทํางานของแม่ทัพใหญ่จิญจวินนายทหารสวมกรรหลายคนต่างมีสีหน้าวิตกกังวลพวกเขารุมล้อมหันชิงและพากันพูดจาเสงียมแซ่ ฮันชิงที่นั่งอยู่ในตำแหน่งประธานนั่งฟังสิ่งที่พวกเขาพูดอย่างสงบนิ่งไปหน้าของเขาไม่มีวิวววของความดีใจหรือเสียใจเขาจะมีทราบความหมายของพี่น้องเหล่านี้ได้อย่างไรหากจะถามว่าเสียใจไหมหานชิงเคยรู้สึกเสียใจอ ย, อยู่บ้างแต่เมื่อนึกถึงจักรพรรดิเวินที่จงความเสียใจนั้นก็มาลายหายไปหากไม่มีจักรพรรดิเหวินที่จงชาตินี้หานชิงก็คงไม่มีวันได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหวยิ่งไม่มีทางถูกย้ายจากกองทัพชายแดนมาดำรงตำแหน่งในส่วนกลางและยังได้เป็นถึงผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ชีวิตของเขาเจะจะรั้ขึ้นมาได้ก็พระจักรพรรดิเวินเที่จงไม่มีใครจำหานชิงที่เป็นทหารขี้คุกได้อีกแล้วผู้คนจำได้เพียงหานชิงผิงชวนโหแห่งต้าอาวี๋แม่ทัพใหญ่จินจวินส่วนเรื่องการหนีออกจากเมืองหลวงจิงซือนั้นหานชิงไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยต่อให้ต้องตายเขาก็จะตายที่เมืองหลวงจิงซือหากเขาหนีไปจริงๆลูกเมียและญาติพี่น้องของเขาพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายเหล่านี้รวมถึงกองกําลังเก่าที่ชายแดนเหนือทั้งหมดอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วย ชีวิตนี้เขาอยู่อย่างเปิดเผยและซื่อตรงเขาไม่ต้องการให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างต้องมาตายเพราะการตัดสินใจบางอย่างของเขาดึกมากแล้วถึงเวลาออกตรวจตราแล้วภายใต้สายตาหลายคู่ที่จ้องมองมาหานชิงค่อยๆลุกขึ้นยืนและกล่าวด้วยท่าทีสงบพรุ่งนี้จักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์จะเสด็จไปยังสถานที่ตั้งลงศพหลวงระหว่างนี้จะเกิดข้อผิดพลาดใดๆไม่ได้ในเมื่อรับหน้าที่ดูแลจิจ้นจวินแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดส่วนเรื่องอื่นอย่าไปคิดมากท่านแม่ทัพใหญ่ ท่านแม่ทัพใหญ่เหล่านายทหารที่ได้ยินเช่นนั้นต่างก็แสดงสีหน้าซับซ้อนในเวลาเช่นนี้เขายังมีแก่ใจมาห่วงเรื่องพวกนี้อีกหรือแม่ทัพใหญ่จิ้นจวินกลับไม่สามารถเข้าไปในตำหนักต้าซิงได้เรื่องนี้หากแพร่ออกไปคงเป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่าแต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาที่ติดตามหันชิงมานานจะสบายใจได้อย่างไรแม้กระทั่งตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดแม่ทัพใหญ่ของตนจึงต้องทำเช่นนั้นนี่ไม่ใช่กกกกาารรรรตตตััตัั้งววเป็นนนนูบคจนนมหออื